คิดวนเป็นวงกลมคือคนที่ติดกรรมของจริงแค่คิดวนก็เพียงพอแล้วที่จะไม่พอใจโลกไม่พอใจตัวเองคิดเรื่องไหนทุกเรื่องนั้นคนที่พอใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องมั่งมีพันล้านไม่จำเป็นต้องรองอาณาจักร แต่จำเป็นต้องคิดเรื่องไหนก็เป็นสุขได้หลงเอ่ยกับข้อสรุปดีๆในเรื่องนั้นได้เสมอการพอใจในตนเองแท้จริงคือการพอใจวิธีคิดของตัวเองคิดแล้วหัวโลงได้ตลอดคิดแล้วใจสว่างได้เรื่อยๆคิดแล้วโลกภายในดีงามคิดแล้วเป็นจุดเริ่มต้นให้โลกภายนอกดีขึ้นคิดได้อย่างนี้เรียกว่า เป็นลาบแห่งชีวิตตนที่ได้อยู่กับสรรีมงคลในหัวตลอด24ชั่วโมงความคิดชนิดที่ทำให้หัวโล่งจะมีความเป็นเส้นตรงเสมอกิดแบบมีจุดหมายดีๆให้ลั่นไปกิดแบบมีขั้นตอนชัดเจนให้ก้าวเดินกิดแบบพร้อมแก้ไขมากกว่าหาทางแก้ตัวกล่าวได้ว่าถ้าฝึกคิดจนคิดเป็นเส้นตรงถูก อีกทั้งเส้นตรงนั้นนำไปสู่ความสว่างทางใจในที่สุดจะพอใจวิธีคิดพอใจในชีวิตตัวเองตรงข้ามอาคิดวนตกลงกับตัวเองไม่ได้ตัดสินใจไปแล้ววนกลับมาลังเลสับสนอีกเปลืองพลังงานชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบย่าอยู่กับที่ไม่ไปถึงไหนอย่างนี้คิดอะไรก็เป็นทุกข์ได้หมด กลอะไรในแง่ร้ายมากกว่าเห็นอะไรในแง่ดีแทนการเตรียมตัวยิ้มยิ้มพร้อมรับมือกับปัญหาด้วยความรื้มใจก็มัวฟูงฝ่ายร้องไห้ล่วงหน้าแม้ปัญหายังไม่เกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นเลยคนคิดวนเป็นวงกลมคือคนที่ติดกรรมของจริงเป็นเคราะหนักของชีวิตค่าที่ต้องติดอยู่กับอภิมงคนในหัวตลอด24ชั่วโมง การออกจากชีวิตแบบคิดพายเรือในอ่างคุณจำเป็นต้องคิดทําเรื่องดีให้เกิดขึ้นสักเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้อะไรก็ได้คิดทําให้รู้สึกดีแบบไม่ต้องคิดมากแบบที่ทําเสร็จแล้วหัวโล่งเลิกคิดวนได้ชั่วคราวชั่วขณะนั้นให้อธิษฐานในใจว่าต่อไปนี้เราจะเอาอย่างนี้เอาจิตแบบนี้ เอาวิธีคิดแบบนี้ตั้งใจอะไรดีๆขึ้นมาเป็นธงแล้วหาทางวิ่งไปให้ถึงธงให้ได้จากเรื่องดีง่ายๆคุณจะค่อยๆขยับขึ้นมาทำเรื่องดีที่ยากขึ้นได้เรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามและทุกครั้งต้องอธิษฐานสำทับลงไปเพื่อไม่ให้ลืมว่าเราจะเอาอย่างนี้เราจะคิดอย่างนี้ เราจะมีจิตยอย่างนี้ในที่สุดก็เกิดความตั้งมั่นในการคิดเป็นเส้นตรงเลิกคิดวนได้เองแบบไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องร้องว่ายากให้ท้อปเปล่า